เลือกคบเพื่อนนิสัยที่จริงจังของท่านเป็นข้อเด่นอีกข้อหนึ่งใช่แต่เพียงเรื่องการงานเท่านั้นแม้แต่การครบเพื่อนท่านก็ยังชอบคนที่รักความสัตย์ความจริงไม่หลาะแหละ ท่านกล่าวถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งในสมัยหนุ่มว่าผู้ใหญ่เถิงเป็นเพื่อนกันชื่อเถิงต่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคํากลิ่งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงตาจึงมักเรียกผู้ใหญ่เถิงแกขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงกําแหงเขาก็เรียกเราว่า หลานพ่อเท่าแพงแพงนี่แหละชื่อแม่เราพ่อของแม่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านถ้าหลานหลวงกำแหงกับหลานพ่อเท่าแพงได้ทํางานแล้วไม่มีใครสู้แหละเราก็สนิทกันไปเที่ยวบ้านคุยกันบางทีมันก็ไปบ้านเราเราก็มาบ้านมันผู้ใหญ่ถึงนี่เวลาไป มีอะไรก็กินโน้นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านเขาก็กินเลยถือเป็นอันเดียวกันสนิทกันขนาดนั้นละ่ะพ่อแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเล่าให้ฟังไอ้นันไปกินข้าวบ้านกูกูเฉยเหมือนไม่ได้กินเขามากินข้าวบ้านเราก็เหมือนกันเราไปกินข้าวบ้านเขาก็เหมือนกันเรานี่จะว่าความฉลาด แต่ก่อนก็ไม่ปรากฏนะแต่เรื่องความสัตว์ความจริงนี้เด่นเป็นมาแต่ครั้งเป็นคราวาสคือเจ้าของรู้ตัวเองว่ามีความสัตว์ความจริงแต่ไม่ได้สนใจด้วยมันหากเป็นอยู่ในจิตถ้าใครเลาะและไม่อยากคบถ้าพูดเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่คบเวลาว่าอยู่อยู่ เวลาว่าไปไปนิสัยเราว่าทำทำไอ้ที่ว่าอย่างนี้แล้วไปเป็นอย่างนั้นเราไม่ครบอันที่สองพวกฉบพวกลักขโมยนี้ไม่ครบพวกหนุ่มด้วยกันที่ชอบฉกลักขโมยนี้ก็หลีกไม่คบอันนี้ เป็นนิสัยอันหนึง่งไม่ชอบคบคนหลาะแหละเรายังไม่ลืมนะพ่อของผู้ใหญ่ถึงเขาก็ขยันเก่งเขามาชวนเราไปหาล่าสัตว์ในป่าหาตะกรวดหาอะไรเพราะหมาเราเป็นพรานดีมาชวนเราไปวันพรุ่งนี้โอ้ยยังไปไม่ได้หรอกเพราะได้รับคำแล้วว่า จะทำสวนตรงนั้นตรงนั้นให้พ่อถ้าอันนี้ยังไม่เสร็จไปไม่ได้หรอกก็เลยขอผ่านเขาเลยไม่ไปแล้วเขาก็ไปถามพ่อถามลับๆเรามารู้ทีหลังนะว่าไหนบัวชวนมันไปหาล่าตะกวดมันบอกว่ามันทำงานให้พ่อมันอยู่มันยังไปไม่ได้เป็นยังไง มันทำงานอะไรทำจริงไหมมันทำแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยเอ้นี่ถ้ามันได้ลั่นคำแล้วเป็นแน่ทีเดียวไม่สงสัยละนอกจากมันเฉยละอย่าไปใช้มันถ้ามันลั่นคำแล้วตายใจเลยเอ้นี่ผู้ใหญ่เถิงคนนี้แหละเป็นเพื่อนของเรา เพื่อนการเพื่อนงานเพื่อนคบเพราะไอ้นี่มันขยันมากนะทำถึงใจถึงใจทุกอย่างไม่เลาะแหละเอาจริงเอาจังขยันคนเลาะแหละนี่เราไม่เล่นนะมันเป็นนิสัยเองมันเป็นอยู่ในจิตนะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีธรรมนะจนไปเรียนหนังสือถึงรู้ความสัตว์นี่เรามีมาตั้งแต่เดิม มันหากเป็นอยู่ในหัวใจเราเองผู้ใหญ่ให้การยอมรับอีกเรื่องหนึ่งเป็นที่ประหลาดใจอยู่ไม่น้อยแม้กระทั่งแม่ของท่านเอง ก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมักชอบมาหาและมาปรึกษาหารือกับท่านจนครั้งหนึ่งแม่ถึงกลับได้ออกปากว่าพ่ออาวพ่อลุงคุณอาคุณลุงมาหาบัวทำไมภาษาเด็กน้อยบรรดาผู้ใหญ่จึงตอบว่าโอ้ แม่อาแม่ป้ามันไม่ใช่เด็กน้อยนะถ้าทำอะไรไม่เอาตามคำมันจะพลาดหมดเลยต้องได้ทิ้งมันทำอะไรไม่พลาดสักอย่างเลยมันไม่ใช่เด็กน้อยนะนั่นนะ่ะในเรื่องนี้น้องๆของท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าเพราะท่านเป็นคนความรู้ดีเช่นอย่างทำแบบแปลนแผนผังนี้ ไม่มีทางผิดพลาดไม่มีทางตกทางเสียใดๆชาวบ้านกะว่าจะเลื่อยไม้คิดกันว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอทำจริงๆแล้วมันกะคำนวณผิดพลาดหมดคนอื่นๆคำนวณผิดหมดแต่ท่านไม่เคยกะผิดจึงไม่เสียไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์ เรื่องหนึ่งคือเรื่องไปตีพึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเมื่อก่อนเขาเอาเป็นอาชีพเลยขายได้ราคาดีมากจะมีผู้มารับเอากับบ้านเลยทีเดียวด้วยความสามารถเช่นนี้เองทำให้ผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนในหมู่บ้านให้ความคุ้นเคยสนิทสนมกับท่านอย่างไรก็ตาม สำหรับการคบค้าสมาคมกับเพื่อนวัยเดียวกันนั้นท่านก็ยังมีการละเล่นสนุกสนานแบบเด็กๆหนุ่มทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรผิดแผกแตกต่างตัวอย่างหนึ่งก็คือท่านยังเคยได้ฝึกหัดชกมวยเล่นกันระหว่างเพื่อนๆแต่ไม่นานก็เลิกราไปเพราะคำขอร้องของแม่ว่า ลูกเอ้ยอย่าไปหาชกมันเลยแม่เป็นห่วงมันเสียตับเสียปอด